ข้อที่2 ส, สมถะมีวิปัสสนานำหน้าคำพีปฏิสัมพิทามักอธิบายความว่าเบื้องแรกวิปัสนาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นแล้วจิตเกิดความปล่อยวางธรรมะทั้งหลายอันปรากฏในวิปัสสนานั้น และยึดเอาภาวะปล่อยวางนั่นเองเป็นอารมณ์จิตจึงมีภาวะอารมณ์หนึ่งเดียวปราศจากความสั่์สายมีสมาธิอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามาก่อนสมถมาหลังคือเป็นวิปัสสนาปุพพังคมะสมถขยายความตามอธกะถาว่า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 อ น, นับว่าเป็นสมถะเมื่อปฏิบัติโดยวิธีนี้อริยมรรคก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันบาลีในอังคุตรานิกายจตุ ก, การนิบาทกล่าวถึงทั้งผู้ได้สมถะยังไม่ได้วิปัสสนาและผู้ได้วิปัสสนายังไม่ได้สมถะในบาลีนั้นเรียกเจโตสมถะ และอธิปัญญาธรรมวิปัสนาซึ่งอัธกถาอธิบายว่าได้แก่อปปนาสมาธิและวิปัสนาที่กำหนดพิจารณาสังขารตามลำดับบาลีแห่งนี้ทำให้ได้ข้อสังเกตด้วยว่าแม้จะได้วิปัสนาแล้วแต่สมถะก็อาจยังไม่เกิดตามมาหรือพูดตามอัธกถาว่า แม้จะได้วิปัสสนาแล้วแต่สมถะก็อาจยังไม่สูงถึงขั้นหน้าพอใจคื อ, อยังไม่ได้ถึงฌานท่านจึงแนะนำให้ฝึกสมถะเพิ่มเติมอีกต่างหากและเมื่ออ่านบาลีนั้นโดยตลอดก็ทำให้เห็นว่าท่านสนับสนุนให้บำเพ็ญทั้งสมถะและวิปัสสนาได้พร้อมก่อนแล้วจึงควรทาความเพียรเพื่อกาจัดอาสวะในขั้นสุดท้ายต่อไป แต่ในอภิธรรมอธิบายสูงมากโดยกล่าวว่าเจโตสมะัะได้แก่รูปและอรูปสมาบัติอธิปัญญาธรรมวิปัสนาได้แก่มรรคผลจึงสรุปว่าผู้ได้เจโตสมะัะไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสนาได้แก่ปุถุชนผู้ได้สมาบัติแปด ผู้ได้แต่อธิปัญญาธรรมวิปัสนาได้แก่อริยาสาวกที่เป็นสุขวิปัสสกะผู้ได้ทั้งสองอย่างได้แก่อริยาสาวกผู้ได้สมาบัติปดผู้ไม่ได้ทั้งสองอย่างได้แก่โลกียะปุตุชนอย่างไรก็ตามอัตถกะถาสรุปว่า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 วิปัสนาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสมถะได้แก่องค์มครรคที่เหลืออีกหกข้อซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่องค์มครรคเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะบรรลุอริยภูมิอัตถกถาสรุปว่าสมถะและวิปัสนาเป็นไปอย่างเสมอภาคควบคู่กัน ทั้งในเวลามุ่งหน้าต่ออริยมรรคและในขณะแห่งมรรคสมถะและวิปัสนาเข้าคู่กันแม้ในผลเช่นเดียวกับในมรรคองค์มรรคเกิดพร้อมกันในขณะแห่งมัรคขยานความจริงไม่เฉพาะองค์มรรคทั้ง8เท่านั้นโพธิปักิยธรรมทั้ง37ย่ยอมเกิดพร้อมกันหมดในจิตเดียวกันในขณะแห่งมัรคขยาน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 ที่เกิดร่วมกันในขณะแห่งมรคยานอาจลดน้อยลงไปบ้างโดยสัมพันธ์กับชาญที่ประกอบด้วยมรคนั้น